การฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้เป็นคำาจัดไว้ในมงคลรสรที่ภาษาบาลีสรงแสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังกาลมุตัมัง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 จาสักแต่ว่ารู้จะมีอุเบกขาคือใจเป็นกลางปราศจากอากติทั้งสี่คือความรักความชังความกลัวความหลงจะไม่มีในใจที่มีความสงบจะมีความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าได้ความสงบแบบนี้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 พอเกิดความอยากก็จะไปทําตามความอยาก ท, าทันทีจะไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อละความอยากจะไม่ใช้สติหยุดความอยากถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นใจก็จะกลับไปทาตามที่เคยทาตามคือทําตามความอยากสามประการด้วยกันคือการมาตันหา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 ดังนั้นถ้าอยากจะฟังทำให้เกิดอนิสงส์เต็มที่เต็มร้อยควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบอย่าไปทําอะไรในขณะที่ฟังทำอย่าไปพูดไปคุยกันในขณะที่ฟังทำอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ฟังธทำเพราะจะทําให้ไม่ได้รับผลขึ้นมานั่นเอง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 เราก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจาที่สงบถ้าจะพิจารณาก็พิจารณาตามธรรมที่กําลังแสดงอยู่ถ้าพิจารณาเรื่องอนิจจ์ก็ต้องพิจารณาอานิจจ์ถ้าแสดงเรื่องอนิจจ์ก็พิจารณาเรื่องอนิจจ์ตามไปพิจารณาเรื่องสมุทัยว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็พิจารณาตามไปแล้วก็ดูความอยาก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 ดังนั้นมันต้องมีทั้งสองสงส่วนรวมกันมีทั้งการฟังทำการศึกษาฟังแล้วก็ต้องนําออกไปปฏิบัติเพราะถ้าไม่ปฏิบัติเดี๋ยววันสองวันมันก็จะลืมหรืออาจจะเร็วกว่า น, นั้นบางทีไม่ถึงวันสองวันไม่ถึงชั่วโมงพอการแสดงทำเสร็จออกไปจากศาลานี้ก็ไปพบปะกันก็เริ่มคุยกันแล้ว คุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้แทนที่จะเจริญพุโทโธพุธโทโธกันถ้าผู้ที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติจริงๆพอออกจากศาลานี้ไปปุ๊บก็ต้องเจริญสติกันแล้วเพราะถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องมีสติพอเจริญสติแล้วก็พอไปมีที่ไหนเงียบมุมสงบมีเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรก็นั่งสมาธิกันเลยถ้านั่งแล้ว ถ้ามีสติมันก็ต้องสงบพอมันสงบแล้วพอออกมาก็หัดใช้ปัญญาหัดพิจารณาอันนี้จังอันนี้จังเป็นอย่างไรอันนี้จังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เหมือนเดิมไม่คงสภาพเดิมมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมเช่นพิจารณาร่างกายร่างกายนี้มันเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลานาที เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเปลี่ยนที่ะเล็กที่เรน้อยจะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนถ้ามองในขณะในเวลาเดียวกันคือใน1 น, นาที2นาที3นาทีนี้ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนน้อยมากจนถ้ามองไม่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเอาภาพที่ถ่ายในวันนี้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับภาพ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 เปลี่ยนคันใหม่ไปเปลี่ยนน็ใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจังเหมือนกันหมดมีการเ ก, เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมีการเสื่อมมีการเจริญมีการเจริญมีการเสื่อมแล้วก็มีการดับไปเราต้องรู้ทันความจริงรู้อนิจจังของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ไม่หลงไปยึดติด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 เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างที่พึ่งทางใจกันดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ที่พึ่งทางใจเราต้องสละที่พึ่งทางร่างกายไปสละลาบยศสารเสริญสุขไปอย่าไปสร้างสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นอนิจจงเป็นเป็นของชั่วคราวเราหยุดหาความสุขทางลาบยศสารเสริญทางทางรูปเสียงกลิ่นรสผทธพะ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 รับลบล บ, ลบลบล้างมรกคผลนิพพานที่เราได้รับที่มีอยู่ในใจของเราแล้วเหมือนกับเราไปถึงเชียงใหม่แล้วเราจะดูดูแผนที่หรือไม่ดูแผนที่เราจะเดินทางหรือไม่เดินทางก็ไม่สำคัญแล้วเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วนันใดการฟังเทศฟังตามการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นต้องไปควบคู่กันไป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 ควบคู่กันไปเลยแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรยะท้าวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสากะรังเอวเมวะอิโตทินัางเปตานังอุปกา ป, ปติ อิชิตังปัต um ิตังตุมหังคิปะเมวะสมิตจัตุสัพเเปุเรนตุสังกปาจัมโทปนาระโสยธามณิโชติหระโสยธาสัพพิตโยวิวัจจานตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีท aw ีขายุโกภวะ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 การบริกรรมพุโทโธนี้ไม่จำเป็นจะต้องดูลมไปด้วยถ้าไม่ถนัดแต่ถ้าถนัดถ้าชอบบริกรรมพุโทโธควบคู่ไปกับลมก็ทำได้แต่เป้าหมายของการบริกรรมพุโทโธหรือการดูลมหายใจนี้เพื่อยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆนั้นขอเราดูว่าเรายังมีความคิดปรุงแต่งอยู่หรือเปล่าถ้าพุโทโธหายไป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 มันก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่ว่าต้องการจะสอนคนนั้นแล้วไม่สอนคนนั้นถ้าต้องการสอนคนนั้นก็ต้องบอกเขาว่าใส่ไม่ได้หรือบอกเขาแล้วให้เข้าออไปใส่ให้ให้เขาฝากเด็กไว้ก็ได้มันก็มีวิธีแต่บางทีเวลามันคนมาเยอะๆใส่กันทีสิบยี่สบสามสิบคนมันพูดพูดพูดพดพ ด, พดมันใส่เข้าไปมันไม่รู้ใครใส่เข้าไปไม่รู้ก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงก็เลยต้องปล่อยให้มันเลยตามเลยไป คำถามต่อไปจากคุณบุญศิริขอคำแนะนำสถานที่อื่นๆในแถบภาคอีสานที่เป็นสถานที่ในแบบที่หลวงพ่อกล่าวถึงคือสถานที่ภาวนาอย่างเช่นวัดหลวงพ่ออินทวายแล้วยังมีที่อื่นๆอีกไหมครับกราบขอคำแนะนำสักสองถึงสามที่ครับเออลองหาเองดิจะให้เราทำให้ทุกอย่างเหี่ลของที่ทําเองได้มันให้คนอื่นทําทําไหม คำถามต่อไปจากคุณบีนาบีกันเราควรจะตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตยอย่างไรคะก้งไปสู่พระนิพพานไงคำถามต่อไปจากคุณซูซี่โยมเป็นผู้หญิงอยากเข้าวัดไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้น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 การเรียนท่านท่านก็อาจจะตอบให้เราได้นะคอย่างห้องตาท่านก็เคยเล่าว่าท่านก็บางเวลาท่านก็ขอลาหลวงปู่มั่นไปไปเวกเวกไปภาวนาอยู่ตามลำพังและอยู่ห่างไม่ไกลมากเดินทักสี่ห้าชั่วโมงก็ถึงท่านบอกบพงเวลาท่านภาวนาแล้วท่านเกิดมีข้อสงสัยอะไรท่านบอกฉันเช้าเสร็จท่านก็จะเดินจงกรมเดินทุดงมาหาหลวงปู่มั่น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 กินน้ำไปไปไปฟังให้ที่เทศเก่าๆบ้างไม่ได้หรือทำไมต้องมาถามคำถามเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำอีกอยนั่นตอบซะไม่รู้จะปากเปียกปากฉีกแล้วคำถามต่อไปจากคุณสุกเล็กๆที่ปลายเขา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 ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นสุขกับเรามันจะเป็นโทษเป็นทุกข์กับเราถ้ามีผู้ใหญ่รับรู้ไว้ก่อนจะช่วยกันกรองให้เราอีกทีว่าเราควรที่จะ เ, เสษกรรมด้วยอย่างเราอยู่ในฐานะที่เราสามารถที่จะมีความรับผิดชอบกับผลที่เกิดจากการเสษกรรมหรือไม่ที่มีลูกมีเต้าขึ้นมาเราจะทาอย่างไรไม่ใช่ไปทาแท้งกัน ทำแทงก็ไปทำบาปกันอีกประพฤติผิดประเวณีแล้วก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่อเวลาตั้งท้องขึ้นมาแล้วตนเองไม่อยู่ในฐานะที่จะเลี้ยงดูลูกได้งั้นการที่ท่านบอกว่าไม่ให้เสพการการเมสุมิชชาเจราเวรมนีก็เพื่อให้ทําให้มันถูกต้องให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีผู้ใหญ่ช่วยกันกรองให้เราอีกทีหนึ่งว่า เราอยู่ในฐานะที่พร้อมเลยอย่างกับการที่เราจะทำภารกิจเหล่านี้เขาถามต่อว่าแล้วถ้าไปเที่ยวตามสถานบริการนะคะผิดสี่ข้อนี้หรือเปล่าคะก็ผิดทั้งนั้นเละขอพ่อขอแม่ก่อนไั่เปล่าะพ่อแม่อนุญาตให้ไปเที่ยวหป่ ข้อที่สองในสินข้อที่หนึ่งเราไม่มีความตั้งใจหรือเจตนาเบียดเบียนหรือฆ่าสัตว์ใดเลยแต่ว่าการใช้ชีวิตประจาวันย่อมมีเหตุทาให้กระทบกระเทือนต่อสัตว์อื่นๆด้วยเช่นกอดอาบน้ําก็จะเก็บสัตว์เล็กสัตว์น้อยเอาไปปล่อยไกลๆแต่ในบางครั้งเราไม่สามารถช่วยทุกตัวได้แบบนี้ถือว่าทำให้สีลด่างพร้อยหรือเปล่าครับ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 ถ้าเขจะจับไปเข้าคุกเข้าตารางก็ได้ก็จับไปยอมทุกอย่างจนกว่านี่สินมันจะหมดไปแล้วต่อไปเราจะได้ไม่กล้าสร้างนี่กันขึ้นมาแล้วปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปถ้าเราหนีแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเราก็จะไม่เข็ดหลาบชาติหน้าพอมาเกิดใหม่ก็จะไปสร้างนี่ใหม่พอสร้างนี่ใหม่ก็พอเจอหนี้ ที่ใช้ไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตายใหม่มันก็จะวนอยู่กับปัญหาอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดคำถามต่อไปจากคุณชุติมาเพื่อนบ้านขอให้เอาแมวไปปล่อยตามถนนข้างทางเพราะได้รับความลำคาญเสียหายแก่บ้านเรือนเช่นหลังคาแตกกระถางต้นไม้ตกแตก เพื่อนบ้านหลายหลังก็เจอปัญหาเดียวกันหากดิฉันทำตามคำแนะนำจะเป็นบาปหรือไม่คะก็ไม่บาปหรอกเพราะถ้าเราไม่ได้ไปทุบไ ป, ปตีไปฆ่าเขาแต่มันจะเป็นเรื่องของความไม่มีความเมตตา ไ, ไ, ไ, ไล้ความเมตตาปราณีถ้าเราอยากจะได้บุญเราก็เอามาเลี้ยงหรือแม่นก็พาไปหาที่เลี้ยงที่อยู่ให้กับเขา ที่อาจจะมีสถานที่ที่เขารับเลี้ยงพวกแมวพวกสุนัขจรจัดเราก็เอาไปเอาไปฝากไว้ที่นั่นคําถามต่อไปจากคุณเดวิดเราเคยทําบาปกรรมไว้ถ้าเราไปติดคุกชดใช้กรรมตามกฎหมายหรือเราเป็นทุกษ์แสนสาหัสจากผลกรรมที่เราได้ทําไปแล้วเรายังจะมีผลกรรมติดตัวไป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 ไปรับผลบุญได้ก่อนแล้วถ้าเราไปถึงไปรับผลบุญขั้นสูงสุดอย่างองค์โคลิมานก็ไม่ต้องไปใช้เลยไม่ต้องไปใช้ผลบาปเลยเพราะถ้าไมได้ไปถึงพระนิพพานแล้วหรืออย่างน้อยไปถึงขั้นพระโสดาบันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องมารับใช้ผลบาปแนละ้วพระโสดาบันนี้จะปิดประตูอบายได้จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรเป็นนสุรกายไม่ต้องไปตกนรกถ้าเราอยากที่จะหนี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 มีคนหมดและเสื่อมศรัทธาพระที่ทำผิดวินัยสงฆ์ได้ถวายของเช่นข้ารูพันแต่ตอนนี้ทำเรื่องขอคืนสิ่งของที่เคยถวายไปกรณีนี้สมควรหรือไม่ครับ เพราะถือว่าสละออกไปแล้วแต่กรณีนี้พระรูปนั้นบอกว่าถ้าใครไม่ศรัทธามาทำเรื่องเอาของคืนได้และพระรูปนั้นก็ศึกขาจากความเป็นพระแล้วครับก็บุญที่เราทำไว้มันก็จะหายไปถ้าเราเอาของนั้นกลับคืนมาถ้าเราไม่เอากลับคืนมาถึงแม้ว่าเราจะทำกับ พระที่ท่านทุศีลหรือพระท่านที่ศึกไปแล้วบุญนั้นก็ยังเป็นของเราอยู่เห็นถ้าเราอยากจะเอาของคืนมาเราก็ต้องเอาบุญคืนไปหมวดคำถามจากทางบ้านค่ ะ, ะทางนี้อยากจะถามอ่าธรรมสการค่ะโยมพยายามภาวนาพุโทโธตลอดโดยเวลาที่ความคิดมันไม่ยอมหยุด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 อันนี้ที่ที่แพทย์จันเทศเมื่ออาทิตย์ก่อนเหมือนกับลูกปิงปองที่มันกระโดดไปทางนู้นทางนี้นี้ถ้าหากว่าเราอยู่กับพุทโธแล้วมันมันมันหยุดมันหยุดไปนี่เราแปลว่าตรงนั้นมันมันมันหยุดกระเด้งแล้วหรือยังคะถ้าหยุดมันก็จะว่างมันก็จะสงบมันก็จะสบายใจค่ะโยมได้รู้สึกแต่ว่ามันโล่งไปเฉยๆนะคะ ก็ต้องทําต่อไปก็ต้องพูดโธต่อถ้ายัางพูดโธต่อได้ก็พูดโธต่อไป <Okay. S 2> หรือถ้าอยากจะหยุดก็ดูเสียว่าหยุดแล้ใจเฉยเฉยสบายหรือเปล่าถ้าใจเฉยเฉสบายไม่คิดปุงแต่งก็หยุดก็ได้ okay. แล้วตอนนั้นควรที่จะกลับเข้ามาพิจรารณาไตรักกับเรื่องลงถ้า <ไป S 2> ยังไม่คิดปุงแต่งก็อย่าเพิ่งไปคิดยังไม่ต้องพิจรารณา <Okay. S 2> ไม่เวลาออกจากความสงบก่อนเวลาใจเริ่มคิดปรงแต่ง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 ระวังความคิดปุงแต่งครับระวังพุโทโธอยู่<ม>เขาก็ยังไม่ยอมหยุดเราก็หยุดไม่ได้เราก็ต้องพุโทโธต่อไปถ้าเขาหยุดเมื่ อ, อไหร่แล้วเราจะรู้สึกใจนี่สงบเย็นสบายเบาเบาอกเบาใจมันจะเเห็นความแตกต่างกันเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเนี่ยเรจะรู้ว่าอกใจเราสงบมีความสุขมีความสบายถ้ายังไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นก็แสดงว่ายังต่อสู้กันอยู่ หรือว่าเขาอ่อนกำลังลงเราก็เลยรู้สึกเบาแต่ก็ยังไ ม, ไม่ไม่สงบเต็มที่ก็บริกรรมพุทธโธต่อไปไปจนกว่ามันจะว่างมันเหมือนขาดเหมือนกา เ, เชือกที่เราใช้ชั ก, กเยร์มันขาดรู้สึกว่าไม่มีแรงต้านอยู่ในใจล้วแล้วถ้ายังมีรู้สึกว่ายังมีแรงต้านยังรู้สึกว่ายังไม่สงบมันก็แสดงว่ายังยังต้องบริกรรมต่อไป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 ม, ม, มันก็อาจาจะสงบชั่วคราวเป็นคณนิกะสมาธิอะไรทำนองนั้น <Okay. S 2> แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าอยากจะให้มันสงบนานๆก็ต้องพุโทโธไปนานๆต่อไป <Okay. S 2> พอมันหายแล้วก็เราก็พุโทโธใหม <Okay. S 2> ่คิดว่าคาถามหมดแล้วนะถ้าเชนนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพิจิพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน